ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีไม่มีอะไรที่สุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าใรความศกปิ์กรเบิดก็ดีความสะอาดก็ดีไม่มีอะไรจะสกะปกิกและสะอาดยิ่งกว่าจิตใจความโง่ก็ดีความฉลาดก็ดี ก็คือใจท่านสอนเลยว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเสถามงูงายาิ่งทั้งหลายต้องคัอยู่ที่ใจต้องต้อเด็อดแลด้ยวยใจศา ส, สนาก็สอนลงที่ใจศา ส, สน า, ส อ, นสสนาออกก็ออกจากใจ รู้ก็รู้ที่ใจพระพุทธเจ้ารู้รู้ที่ใจนำออกจากใจนี้ไปสอนโลกก็สอนลงที่ใจของสายโลกไม่ได้สอนลงที่อื่นใดทั้งหมดในโลกธานนี้แ ก, กว้างแค่ขนาดใดไม่สำคัญมีจิดหมายลงที่ใจแห่งเดียวใจที่ควรกับธรรมะอู่แล้ว ก็เข้าถึงกันได้โดยงดที่ทันว่ามีปณิสัยนั้นหมายถึงว่าผู้ควรอยู่แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนผู้มีปณิสัยสูงต่างต่างกันอย่างไรพระองค์ท่านทราบด้วยเช่นมีปณิสัยสามารถที่จะบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมควรจะเสด็จไปโปรดก่อนใครเพราะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอันตรายที่จะมาถึงในการข้างนานก็ดีเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อน คือท่านว่ปาปับบาเบวิโลกาณังทรงเลญญานดูสัตวโลกผู้จิตเข้ามาเกี่ยวข้องกับตาข่ายคีอพยานของพระองค์คําว่าเลีญานดูสัตวโลกนั้นท่านก็เลญ้ยนยานดูจิตใจนั่นเองทั้งนีเลี้ยานดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นวัตถุอันใหญ่โตมากมายิ่งกว่า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 ไม่ทราบทางแก้ไขพิธีแก้ไขพระองค์ก็สอนแต่ใจว่าจินที่นํามาสอนนั้นไม่มีอยู่กับใจของสัตว์โลกมีอยู่ด้วยกันเป็นตะเพียงว่าทางนั้นยังไม่ทราบถูกปิดบังหุ่นห่ออยู่ด้วยสิ่งสโครกทั้งหลายดังที่กล่าวแล้วงบนไม่มีอะไรที่จะสโปรกยิ่งกว่าใจโสโปรกไม่มีวันสะอาดเลย ร่างกายเราสกรปรกมันมีวันชะวันล้างอาบเสื้อผ้าทั้งเจนสถานที่สกรปรกมันมีวันชาระซักปอกเช็ดถูล้างให้สะอาดสะอาแต่ได้เป็นกา ร, เ ป, การเป็นเวลาแต่จิตใจที่สกรปรกด้วยความไม่สนใจกับอ่าดูเจ้าของไม่สนใจนั้นมันสกรปรกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสกรปรกไปตลอดการจนมาทั้งตั้งแต่วันเกิดจนมาทั้งถึงวันตายพบนี้ถึงพบนั้น พบไหนก็พบไหนก็มีทั้งแต่เรื่องสกครกพาให้เป็นไปพาให้เกิดให้ตายเรื่อยๆไปอย่างนั้นหาเวลาสะอาไดไม่ได้นานอันเดียวสกรปรกสิ่งที่โสโครกมันจะพาไปดีได้ไหมอยู่ก็อยู่กับความโสโครกไม่ใช่ของดีผลแห่งความโสโครกก็คือความทุกข์ความลำบากคติที่ไปก็ลำบากสถานที่อยู่ก็ลำบากกำเนิดที่เกิดก็ลำบาก นี่แต่ของลำบากลำบากหมดเพราะความสกรปรกของใจจึงไม่ใช่เป็นของดีควรจะเห็นโทษของใจที่สกรปรกไม่มีสิ่งใดที่จะน่าสะอิดสะเอียนมากขึ้นกว่าใจที่สกรปรกอย่างอืง่นสกปรกไม่คว่าด้มีครูมอะไรสอนกันส่วนจิตใจสกรปรกนี่ต้องหาผู้สําคัญมาสอนเพื่จะสอนได้ใครจะมาสอนเรื่องการซักฟอกจิตใจที่สกรปรก ง่ายสะอาดสะา้านประด้านนอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงชนะเป็นปลอดตายในการบำเพ็ญเพื่อจะรู้ทั้งของพระองค์เองตลอดทุกยิทธีแก้ไขแล้วก็นํามาสั่งสอนโลกให้ถูกต้องตามวิธีที่ทรงบำเพ็ญและได้เห็นผลนั้นมาแล้วยิ่งต้องมีครีมเหนียวจางสอน ง, งนี้ความทุกข์ มันก็เป็นผลออกมาจากที่สกปรกนั่นเองความมาความโง่โง่ต่อตัวเองแล้วก็โง่ต่อสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆตัวเองโง่อยู่แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ทราบว่าอะไรผิดอะไรถูกแม้ไม่ชอบใจก็ต้องได้ยึดนะต้องได้พราอคนเราจึงต้องมีทุกทั้งที่ไม่ต้องการกันเลยแต่ทําไมจึงต้องเจอกันอยู่ทูกแหงทุกฝนทุก เ, ก เ, เ, เ, เวลาเพราะไม่สามารถที่จะลบดีด ต, ตัวได้ด้วยอุบาต่างๆเห็น ความฉลาดทั้งตนนั่นแหลจะจึงต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาได้รับการซักพ่อทีมด้วยความดีทั้งหลายเป็นลําดับลําดับมาทานก็เป็นการซักพ่อที่เหลือประเภทหนึ่งศีลก็เป็นการซักพ่อที่เหลือประเภทหนึ่งนะทาวมาก็เป็นการซักพ่อที่เหลือประเภทต่างๆรวบตัวเข้ามาอยู่ในองค์ภาวนา หนเรื่องนั้งแตเป็นน้ำพระอาที่ซักฟอกสิส่งสกปรกมีรบกวงดำอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่แหละาวิธีต่างๆพระโพธิจ้ายดูเนี่ยสอนกันมาเป็นลำดับลำดับล ำ, ล ำ, ลำดาองค์นี้ได้ผ่านไปแล้วอนั่นกับมาจาัดสรู้จัดสรู้ก็แต่สรู้ในทำรรอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันเพเื่อจะแก้ที่เลือัญหาสภาวะของสัตว์โลกอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นโอวาทจึงเป็นเหมือนๆกันหมด ที่เรานะว่ามีวาสนาได้เป็นผู้คลาต่อศีลต่อธรรมก็ยิ่งเป็นน้ําที่สะอาดที่สุดทั้งหลักชะล้างสิ่งที่โสปโปรกที่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเองคนที่ไม่มีความสนใจกับธรรมและไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อศาสนาเหล่านี้มีจำนวนมากมายกลายกองเราไม่ได้เข้ากับคนประเภทนั้นและจะมีจํานวนน้อยก็คือเราคนหนึง่งมีส่วนอยู่ด้วย สำหรับผู้รับไถ่ต่อต่อธรรมในความเชื่อความสงสายต่อคําสอนของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้เห็นน่าว่าเป็นผู้มีวาสนานี่และ ว, วาสนาของเราคืออันนี้เองเป็นพื้นฐานที่จะให้เราได้บําเพ็ญความดีสืบเนื่องมาเป็นลำดับเป็นความเจริญลุ่งเรืองจิตใจก็จะเด่นมีความสะอาดสะอ้านขึ้นจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลําดับความสุขก็รากฏเป็นเงาตามตัวขึ้นมาแล้วความเพลินอันใด จะเหมือนกับความเพลินของใจที่รื่นเดิงไปด้วยอาจด้วยธรรมมีความรักคข่ใส่ใจในธรรมการพู้ปฏิบัติก็เพลินไปด้วยความอุตสาหพยายามผลก็ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความสงอบต้มเย็นเป็นความเพลินมุปาณาจิตใจทันทีว่ารถอะไรองสู้รถแห่งธรรมไม่ได้เนีเ่ยลดแห่งธรรมชะนาญรถทั้งหลายคือรถอันนี้ไม่มีจืดมีจางไม่มีเบือ่อไม่มีชินมีท่าเป็น รถ ด, ด้วยเป็นความผูกที่เป็นความลื่นเริงที่ดูดดื่มไปโดยลำหนักลำดาแหนที่สุดจะมาถึงขั้นจิตยิมมุทพนิพพานไปแล้วยิ่งความผูกนั้นยิ่งมีความสม่ําเสมอตัวคือคงที่คงเส้นคงมาตายตัวอาการพยายามจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความพอใจเราพอใจแล้วงานอะไรมันทําได้ทำนั่น สำคัญอย่ที่ความพอใจเล่งดูเหตุผูกผลดูผลเข้ากันได้แล้วมันความพอใจของมาเองถึงไม่มาก็บังคับได้เราเราบังคับเราบังคับคนอื่นนังยากยิ่งกว่าเอาบางังคับเราเร า, เราอยู่กับตัวของเราเองจะบังคับให้ทำอย่างไงก็ได้อา่านั่งทอานหน้าหน้าวันนี้ก่อนนัง่งเนี่ยอา้าวเดินจนกลมก็ได้อา้าวทาบุญให้ทานอา้าวรักษาศีลด้ทั้งนั้น เราเป็นเจ้าของเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาจิตใจถ้าเราไม่สามารถที่จะบังคับดับได้ก่อนมือกองทับเทวท่านมาแล้วเราเป็นเจ้าของของทุกส่วนภายในร่างกายและจิตใจการเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้น้ำมัตระวางังเราเป็นผู้รักษาเอง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 ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนต้องขึ้นไปจากปัจจุบันซึ่งบำเพ็ญอยู่ทุกวันเจริญอยู่ทุกวันส่งเสริมอยู่ทุกวันบำรุงอยู่ทุกวันเจริญขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยหลักปัจจุบันอยู่ที่เราเวลาเรื่องบันเดือนปีพบชาติมันเป็นผลถอยได้ที่จะสืบเนื่องมาเป็นลําดับลำดับเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้สืบเนื่องมาถึงวันนี้แล้วปรสิบเนื่องมาถึงวันตรงนี้ส่วนผลที่จะได้รับดีทั่วมันขึ้นอยู่กับเรา เราเป็นผผิดชอบจึงต้องพิจารณาหอเห็นประจับทำของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏิโกประกาศดูตลอดเวลาตั้งแต่วันพระองค์ประกาศทำสองโลกก็ประกาศเรื่องสันทิฏิโกนี้ด้วยกันทั้งนั้นตลอดมาจนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะทึงรู้พึงเห็นภายในตัวเองกําลังเรามีมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบ ผลที่ได้รับภาพน้อยเพงไงก็ทราบอยู่ภายในใจิตใจเพราะใจเป็นผู้คอยรับภาพอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ยทําไมจะไม่ทราบบกช่องที่ตรงไหนพยายามเร่งเข้าไปความเร่งอยู่โดยสม่ําเสมอความบกช่องนั่นกนค่อยสมบูรณ์ขึ้นโดยระดับจนกระทั่งสมบูรณ์เต็มที่ได้ไม่ใช่สมบูรณ์ด้วยเพราะความทอดถอย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 การชนะคนอื่นคูณด้วยล้านดวนแล้วตั้งแต่ เ, เรื่องก่อเวรทางนั้นนะหาจินดีที่ไหนมีต่างการชนะเอาคูณด้วยล้านถึงขนาดนั้นยังมีดวนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องก่อเวรทางนั้นไม่ใช่เป็นของดีเลยมีการชนะตนเพียงผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นของประเสริฐจิต ช, ชนะตนจะหมายถึงอะไร กาชนะสิ่งที่เราเคยแพ้มาอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเราแพ้อะไรบ้างเอเราทราบเราเองหนึ่องนี้กิเลสทั้งหมดไม่ว่าแง่ใดลูกมันเราก็แพ้ล้านมันก็เราก็แพ้เลนมันเราก็แพ้พ่อแม่ของมันเราก็แพ้ครูญาติย่าของมันเราก็แพ้เราแพ้ทะทั้งหมดเอแพ้อย่างหลุดลุ่ยเนี่ยอะไรๆของมันแพ้หมด ถ้าสมมติว่ามันมีมุดมีคุดเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยมุดคุดมันมันเราก็จะแพ้มันอีกแต่นี่มันไม่มีก็มีแต่ขี้โรกขี้โกรกขี้เหลืองว่ากันนั่นนะเขาว่าหมุดว่าคูดกขาว่าอันนี้เสียนะเราแพ้มาแล้วทั้งนั้นนี่คําแพ้นี่เป็นของดีเหนออยู่กับผู้ใดไม่ดีเลยทำมาแพ้นั่งอยู่ก็แพ้นอนอยู่ก็แพ้ยืนอยู่ก็แพ้เดินอยู่ก็แพ้อหาเวลาชนะไม่มีเลยมีศักดิ์ศรีที่ไหน มีความสง่าราศีที่ไหนพี่จะความแพ้เต็มตัวคนเรามีสาระที่ไหนเออถ้าธรรมดาแบบโลกโลกเขาเราอยแบบากจะผูกคอตานั่นแหละเออแต่นี้มันเรื่องธรรมดามัน <c oughs> สุดที่ใสเราชัวรนะ์เยพูดกันน่าเห็นอย่างนี้แหละเออมายกขึ้นมาอย่างี้ไม่เห็นโทษอะไรมาตีพวกเรานี่แหละพวกนักแพ้นี่แหละเออทุกครั้งทีกันแพ้ เราไม่เห็นโทษแห่งความแพ่เราบังเหรอนี่วิธีตุกจิตเนี่ยเราหมายถึงวิธีตุกจิตใจของเราเรายังจะแพ้ไปนี้ตลอดไปอยู่หรอือแพ้แพ้หมดอย่างลุ่ยแพ้อย่างลาบอย่างนี้เรื่อยๆหรือเราไม่ต้องการชชนะบ้างเหรอนั่นถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะอาสาวกอรหรันหันท่านเป็นผู้ชนะพระดิเจ้เจ้ า, จาท่านเป็นผู้ชนะไปะโดยลําดับสถานะของเราทั้งสาม พุทางสัมังสนังสังนักถานมิล้วนแล้วตั้งแต่ชัยชนะทั้งนั้นที่เรานึกน้อมถึงท่านตัวเราแพ้อย่างนาดอย่างนาดตลอดเวลาสมควรนั่นเหลือจะเป็นบุคคลทศหาคตหนักน่ะไหลนี่นี่แหละวิธีปลุกจิตเจ้ของปลุกอย่างนี้จิตนั้นเป็นสิ่งที่ส่งเสริมได้กดขี่บงังคับได้เหยียบย่ำทําลายลงไปก็ได้ ส, งส่งเสริมก็ได้ สำคัญที่เราเองเป็ผุผูหาอุบายคิดในแง่ต่างๆที่จะปลุกจิตปลุกใงเราให้เกิดความอาหารนร่าเริงต่อสู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเอาชัยชนะขึ้นมาสู่ตนด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าเป็นทางเดินของผู้จะกล้าเข้าขีาชัยชนะชนะไปวรนละเล็กละน้อยเรื่อยๆไปผลดุท่าก็ชนะจนไม่มีอะไรเหลือเลย นั่งอยู่ภาชนะนอนอยู่ภาชนะโยเอียบดได้ชนะหมดไม่ว่าแต่ลูกแต่ล้านกิเลสปูย่าแต่ลายจายกิเลสก็ชนะหมดเนี่ยทั้งสามโลกาธาตุขึ้นคือว่าสมมุติขึ่งเคยผูกพันจิตใจอันเก็นตัวกิเลสให้เราแพ้มาโดยลาดับชนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปัญญาเนี่ยสําคัญมากสติกับปัญญาเป็นทํามันสาคัญอย่างยิ่งสัมมาสติสัมมาสังโปะเป็นต้เนั่น พิจารเอาให้ได้ใช้ น, นะสิ่งที่แม่น้อมเราอยู่ตลอดเวลาค่อยตกค่อยค่อยตกค่อยตีเราอยู่ตลอดเวลาคืออะไรเอาพิจารณาดูมันมีที่ไหนเนี่ผมมีแต่รูปเวชน า, นาสัญญาทังขาทั้งอย่างนี้เท่านั้นดูสําคัญอีกงจริงมีอยู่ตรงนี้ตาหูจมูกร่างกายมันก็เป็นทางเดินเข้ามา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 คืออัาจทมสติปัญญาเราจะต่อสู้พิจารณาเอาให้ในพิจารณาไปตัวของเราไม่เอากับชนะกับผู้ใดแหละเอากับผู้ใดเราจะเป็นเรื่องก่อเวรกับผู้นั้นเอากับสัตว์ตัวใดก็เป็นเรื่องก่อเวรกับสัตว์ตัวนั้นขึ้นชื่อว่าอื่นนอกประจากตัวแล้วนี่จะเรื่องก่อกรรมก่อเวรไม่เป็นของหนีเลยสิ่งที่เลิอดประเสริฐ ก, ก็คือเอกรากชเชยมัตนานังสเวสังารามุตตโม การชนะเราเรื่องของเรานี้เท่านั้นในเรื่องประเสริฐสุดในโลกพระพุทธเจ้าก่อชนะแบบนี้สาวกอรหันอรนท่านชนะแบบนี้ท่านเป็นผู้ไม่ก่อกรรมก่อเยมเพราะกานั่นจัดโลกนนั้นอาศัยท่านโดยลำดับมาจนกทั่งแบบนี้นี่ท่านออกชนะตรงนี้เอาพิจารณาไม่เคยหลงอะไรอยู่อ ย, อยู่เวลานี้พิจารณาให้มันเห็นชัดชิงดาวนี้ไม่ปิดบางลี้ลับมีอยู่ายในตูของเราร่างกายก็ตวนเราอยู่ตลอดเวลา เก็บ น, น้ำปวดนี่ความสลายความแปรสภาพแปรที่ตรงไหนสะเทือนที่ตรงนั้นแปรไปทั้งหลายก็สะเทือนมากขึ้นมากขึ้นเวทนากับความแปรสภาพมันเป็นคู่เพียงกันอะไรที่ผลิตผิดไปนิดหนึ่งเวทนาจะเตือนบอกขึ้นมาเรื่อยๆเตือนบอกสติปัญญาของผู้ปฏิบัติของผู้ตั้งใจจะส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้และสิ่ง น, นี้จึงเป็นเหมือนธรรมเทศนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่จําเป็นจะต้อง แต่พระตั้ขึ้นธรรมะนโมตัส萨แล้วก็ตัวจริงๆนี่เป็นธรรมะเทศนาสอนเราอยู่ตลอดเวลาอ้าวทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนตั้งธรรมะที่ตรงนั้นวิจักันคุชชาวิสัชนากันลงไปเนี่ยเทศสองธรรมะระหว่างขันกับจิตขันใดก็ตามผู้ประขันเวทนาขันชัญญาขันสังขานขันวิญญาณขันเนี่ยคุชชาวิสัชนากันให้เข้าใจ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 แล้วขาดไปจะไปถึงไหนมันก็ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางแห่งความขาดสะบั้นเท่านั้นเองเ <c oughs> นี่ยมันต่างกันแต่วันมือกับแพียงที่ล่วงไปวันนั้นวันนี้เท่านั้นอ่ะถ้าเร็วต่างกันมีนิดเดียวเท่านั้นจะต้องไปถึงความขาดสะบัน้นเสเดียวกันหมดเว <c oughs> ลานี้ยังไม่ขาดเป็นติเพียงว่าเตือนเรานาทีเตือนนิยนาทีเตือนชั่วโมงเตือนหมดไปเท่านั้นนียนาทีเท่านี้นาทีเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นวันเตือนอยู่เสมอ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 มีพอที่จะทำประโยชน์เนี่ยทําประโยชน์เสียตั้งแต่วันนี้อธิวดีกิตตมาตัดตังโกชัญยามะละาลังสุเลความเพียรที่จะทําให้เป็นประโยชน์แจ่คนควรทําเสียในวันนี้บัดนี้ใครจะไป ร, ะรู้เรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไหรแน่ทันว่าอะไรนั้นบอกไม่ให้เราประมาทอ่าพิจารณารูปมันเหลือให้เท่าไรเวลานี้มันเจ็บก็ยังเือมีเหลืออยู่บ้างเอ ม, มันสลายหรือมันแปลสภาพไปส่วนที่ยังอยู่เขายังมีอยู่บ้างพยายามพิจารณาให้ทัน ถ้าเกิดการขึ้นยังเหลืออีูมันรู้เท่าทันเพื่อปัญญาเวทนาตั้งลงพิจารณาให้มันชัดเจนเรื่องเวทนามีเท่าเวทนาที่มีนั่นแ่ะไม่เลยจากนั้นผู้รู้รู้ไปหมดมันจะเท่าภูเขานี่ผู้รู้สามารถจะรู้หนึ่งเวทนาเท่าภูเขาไม่มีอัะไรที่จะเหนือผู้รู้ไปได้มันจะได้โตขนาดไหนเรื่องทุกขเวทนาอ่ะมันจะเหนือความรู้จนใด ไ, ได้ความรู้จะครอบเวทนานั้นหมดนี่ถ้าความรู้มี สตินะถ้ามีสติก็เลื่อนลอยเหมือนกับว่าวมันมีเชือกเชือกขัดแล้วแต่มันจะไปทางไหนนี่เราไม่ใช่ผู้ว้าวเชือกขัดเรามีสติปัญญาพิจารณาให้เห็นธาตุตามความจริงนะ เ, เกิดก็เกิดขึ้นมาเรื่องมุขเวทนาเป็นธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยู่แล้วเราเป็นผู้เป็นนักธรรมะเอาฟังด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาให้เห็นชาตุตามความจริงของหมัด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 มีทุกมไม่แบ่งเอาไปกินแบ่งเอาไปกินเหมือนดังวันคืนปีเดือนแบ่งเอาจากร่างกายจิตใจของเราสั้งขาทของเรานี้ไปกินไมนมีอะไรมาแบ่งนี่ถ้าเราพิจนารณานี่ให้ถึงตามไปกิ น, ทนแทบเปลี่ยนได้อะไรจะแต่ก็แตกก็เรื่องมันแตกมันเคยแตกมาตั้งกี่กับงกี่ครั้งแล้วมันทางเดินของคติธรรมดาเป็นอย่างนี้จะแยกแยกมันเป็นที่ไหนจะไปกั้นทางห้ามไม้มันเดินได้อย่างไรอันนี้ทางทุกขตุลตามันไปใ น, นสายเดียวกัน เพราะว่าทุกอนิจจังท่านบอทุกขังอนัตตามาพร้อมกันมันไปด้วยกันให้เรารู้ความเป็นจริงของมันพร้อมๆกันไปแล้วปล่อยวางพร้อมกันหมดไม่ว่าจะปล่อยวางแล้วในส่วนอนิจจังยังทุกขังอนัตตาไม่ให้พิจารณารอบแล้วมันต่อเธอพร้อมๆกันบริสุทธิ์พร้อมในขณะที่ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามหาจากไหนนั่นแหละคือความฉลาดเต็มถูมที่นี่ความสะอาดเต็มภูมิด้วยความความฉลาดเต็มภูมิด้วยความสุขเต็มภูมิด้วย ความโสโครกหายไปความโง่หายไปความทุกข์หายไปหายที่ตรงนี้แหละตรงที่แบกทุกข์แบกความโง่แบบความโสโครกนี่แหละสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเพราะอำนาจแห่งปัญญาอำนาจแห่งสติอำ้าจแห่งความเพียรเป็นธรรมชาติที่ชำระให้ไม่มีสิ่งใดเหลือเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ไม่หมดไม่สิ้นอะไรจะหมดก็หมดไปตามสมบูริยมร่างกายทั้งหมดก็หมดไปเออวิวิติอ่ะ เทศนาสัญญาสังขารวิญญาณจะแปลสภาพไปไหนแปลไปเถอะเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะเป็นไปตามธรรมราของเขาซึ่งเขามีความหมายไม่มีความรู้สึกเขาเลยว่าเขาได้แปลไปนี่จะจิตให้เราไปรับทราบว่าเขาว่าแปลไปถ้าไม่ยึดไม่ถือก็แล้วเพียงรับทราบเท่านั้นเราก็ไม่แบกทุกข์กับความยึดถือใดๆทั้งหมดเราก็สุขสบายนี่แหละท่านมาเอกันจะเชืม่มัตตนังเตวีสร้างรามทิธฐโมไม่ก่อกรรมก่อเวงกับผู้ใดทั้งหมดแม้แต่กับพิเลกก็ไม่ก่อ กิเลสแพ้เรากิเลสไม่มาเก่อก่อเราได้เหมือนอย่างคนแพ้คนเราชนะคนชนะอะไรกต่ามก่อกรรมก่อเวรได้วันนั้นยังทำนะไปมากอะไรก่อกรรมเราคิดดูคุมด้วยพันนั่นแหะคือความก่อกรรมก่อเวรคุณด้วยล้านน่ะก่อกรรมก่เวรด้วยล้านอันนี้ไม่มีเลยความสบายคือความชนะตนเท่านั้นนี่เป็นจุดสําคัญของคุกปฏิบัติถ้าศาสนาใด มาสอนพวกเราให้เห็นขนาดนี้รู้ขนาดนี้แล้วจะให้ผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอย่างที่ว่านี้นอกจากเราเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติขนาบตัวเราเองเพราะโง่ก็เราเป็นคนโง่เองจะหาความฉลาดใครคนด้วยการแก้ความโง่ออกก็จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เราพวด ก, ก็เราเป็นคนพูกเองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความฉลาดให้เป็นความสุขขึ้นมาภายในจิตใจนี้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่งั่นทั้พุทธิเจ้าหรือสาวู ทั้งหลายท่านจะเป็นถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าธรรมะชาล้างสิ่งเก็ปลกไม่ได้ด้วยความสามารถของเรา<น>เราก็เป็นผู้หนึ่งในพุทธบริษัทขึ้นเป็นลูกใต้หลากกรของพระพุทธเจ้าถึงยีง่มีมากคนก็ขอให้เราเป็นคนหนึ่งเถอะในคนจํานวนน้อยนั้น่ะเราเชื่อเป็นผู้มีส่วนในพุทธบริษัทอันแท้จริงบุกของพระพุทธเจ้าก็คืออย่างนี้เองพระพุทธเจ้าเดินยังไงเราเดินแบบจิตมีครูรู้ยังไงเรารู้แบบจิตมีครูเนี่ยรู้แบบครู นีน wrong, ่ก็โดยระดับแบบแต่ว่งในการดันทำวันนี้ต่อหน้าฉันควรเอาดุจขยันไทย